ที่ริงสูตรที่เรียกว่าหนทางแห่งอมตะนะเราทั้งหลายเนี่ยรู้ทางกันเยอะนะเพียงแต่ว่าเดินทางน้อยกันไปหน่อยมันเลยไม่ค่อยถึงเน่ยนะเราไม่เป็นไรประชุมกันต่อไปก็แล้วกันนะไม่ถึงก็ประชุมต่อ <c oughs> ก็อย่างนี้ก็ได้ <c oughs> ไปที่โรงพยาบาลที่แผนกจกักษุแพทย์เนี่ยนะนั่งรอหมอเนี่ยอาจจะไม่น้อยกว่าในห้องเรานั่งฟังธรรมนี่รอกแต่ละโรงพยาบาล น, นะ นั่งรอจักสุแพทย์เนี่ยตรวจเ้าเรียกใบเรียกมาทีละคนพยาบาลมาเรียกไปทีละคนทีละคนเพื่อให้หมอเนี่ยตรวจตาเนี่ยนะก็มาได้น้อยๆเลยนะอันนี้โรคทางตานะแล้วโรคทวาวรอื่นๆอีกล่ะเ น, น, น, นี่ยนะก็เคยเห็นไหมเมื่อไหราตาก็เหมือนเดิมไปหมดเลยไหมเกิดมาไม่เคยพบเลยนะเธอเคยได้ยินมาหรือว่าจักสุนั่นมันเที่ยงเคยได้ยินไหมไม่เคยแน่นะเนี่ยธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นแหละ แต่ทีนี้การพิจารณาเพื่ออะไรต้องต้อ ง, องไม่ลืมวัตถุประสงค์นะว่าเมื่อจกักขูไม่เที่ยงบุคคลใดก็ตามที่ปล่อยให้ใจเพลิดเพลินไปในจักสุขเขาจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าบุคคลนั้นนะบุคคลนั้นจะทุกข์ขนาดไหนเขาไปเรียกว่าอะไรไปปล่อยจิตปล่อยใจกับสิ่งที่มันหลอกลวงอ่ะนะมถามว่าบุคคลนั้นจะทุกข์ปานใดถ้าปล่อยปล่อยจิตไปเพลิดเพลินกับหูที่ไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะ จะทุกข์เพราะหูขนาดไหนถ้าไปปล่อยใจเพลิดเพลินกับจมูกถ้าจมูกมันเสียเขาจะทุกข์ขนาดไหนเพราะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยไปพึ่งสิ่งที่มันหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาโลกของสังขารธรรมทุกชนิดมันหวั่นไหวเมื่อมันหวั่นไหวเนี่ยเราไปเอาจิตไปฝากไว้กับสิ่งที่มันหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมันมันมันเดือดร้อนขนาดไหนเขาบอกว่าอาจารย์พระรูปหนึ่งท่านเล่าให้ฟังว่าท่านมีญาติอยู่ที่ตลาดหุ้นเนี่ยนะ อยู่ที่ตลาดพ่กไหนคั้วเนี่ยมันขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันไม่ค่อยแน่นอนใช่ไหมเขาบอกว oh, ่าโหแทบไข่จะขึ้นให้ได้เลยนะก็ต้องลาออกจากตรงนั้นมามันไม่มีความคงทนอะไรไม่มีความคงตัวนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงอ่ะนะแล้วถามว่าไอสภาพจิตที่ไปรับรู้ในสิ่งที่มันแปรปรวนอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันจะเดือดร้อนขนาดไหนมันจะระนาโตอ่ะมันวันไว้มันไม่มีเสถียรภาพอะไรเลยอะ่ะไม่เนีมีความมั่นคง เคยเห็นหรือสังขารไหนมันมันน่นคงอไงเคยเห็นไหมพอที่เขาเรียกว่าฝากใจไว้ได้ว่าอมั่นคงจริงๆโู้แน่นอนจริงๆไม่มีสักสังขารเดียวเลยพอที่จะวางใจได้เพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนี้แล้วฉนั้นความสงบระ ง, งับสังขารเนี่ยเป็นสุขที่สุดใช่ไหมก็ให้เราคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามเอาไว้นะใจจิตจะได้น้อมไปเพื่อ เลิกหวังเลิกเพลิดเพลิน ก, ก, กับสิ่งที่มันหวั่นไหวสักทีหนึง่งนี่มาดูธาตุสิบแปดบ้างนะวันนี้ขึ้นวิปัสสนาภูมิสะส่วนใหญ่ธาตุสิบแปดมีจักขุู่ธาตุเป็นต้นธรรมะหนึ่งหนึ่ ง, งย่อมจัดแจงตามสมควรแก่อารมณ์ทั้งหลายในทวารทั้งหลายมีจักขุูทวารเป็นต้นฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุธาตุก็คือธรรมชาติที่จัดแจงใช่ จับแจงตามสมควรแก่สิ่งนั้นๆไปนะอันนี้ในที่หนึ่งหรือธรรมชาติใดย่อมทรงไว้ธรรมชาตินั้นชื่อว่าธาตุความทรงไว้ชื่อว่าธาตุสภาพที่เป็นเหตุตั้งไว้ก็ชื่อว่าธาตุสภาพที่เป็นเหตุย่อมทรงไว้ในทวาร น, นั้นฉะนั้นทวาร น, นั้นจึงชื่อว่าธาตุก็พวกนี้ก็คือเกี่ยวกับสภาวะของธาตุนะถ้าใครพิ จ, จารณาจักขุมมากๆจะรู้ว่าเป็นเหตุที่ทรงไว้ในทวาร น, นั้นๆ ทรงไว้ตามสภาวะของตนอธิบายว่าโลกิยะธาตุทั้งหลายกําหนดตั้งไว้โดยความเป็นเหตุย่อมจัดแจงสังสารทุกข์เป็นอเนกประการก็เหมือนกับอะไรเหมือนธาตุมีธาตุทองธาตุเงินเป็นต้นกําหนดตั้งไว้โดยความเป็นเหตุจัดแจงอยู่ซึ่งทองและเงินเป็นต้นคือ <c oughs> ถ้ามองธาตุเนี่ยต้องมองประดุดแร่แร่ธาตุทั้งหลายในโลกเนี่ยนะยัง แร่เหล็กอย่างเดียวเนี่ยนะมีในโลกเนี่ยจัดแจงเป็นอะไรบ้าง น, นะเหล็กเนี่ยไปจัดแจงปรุงแต่งเป็นอะไรบ้างในโลกนี้เป็นรถเป็นเรือเป็นเครื่องบินเป็นสารพัดเนี่ยนะก็คือธาตุเหล็กนั่นแหละมันไปจัดแจงหรือธาตุตัวทองเลยนะธาตุของทองแร่ทองเนี่ยมันไปจัดแจงเป็นเครื่องใช้ไม้สอยเครื่องประดับสารพัดชนิดที่มีทองเป็นอันนะัมีแร่ทองเนี่ยเป็นต้นเหตุฉันใดก็ดี ธาตุทั้งหลายเนี่ยนะตาก็เหมือนกันนะมันมันจับแจงทุกเป็นอนเนกทุกในที่ต่างๆนะก็คืออะไรก็คุกเพราะเห็นนะ่ะแต่ถ้าเอากายทวานี่จะทัดเพราะไอ้กายธาตุอันนี้นะมันจับแจงสารพัดทุกเนะี่ยทุกในนรกก็กายะก็กายทวานอย่างนะีก็กายธาตุเนี่ยมันจับแจงเออนี่ทุกในนรกนะนี่ทุกในเปรตนะหดอยากหิวอย่างนี้เนี่ยทุกในเดราชานนี่ทุกในมนุษย์ แกเนี่ยแกมีร่างกายแล้วก็ต้องเดือดร้อนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้กายธาตุเนี่ยมันจัดแจงสังสารทุกสารพัดทุกเลยแหละอันนั้สารพัดทุกที่เห็นเนเนี่ยเนื่องจากธาตุทั้งนั้นนทุกทั้งมวลที่เรารู้เห็นพิจารณาเนี่ยที่เราฟังแล้วเห็นกับแทบเบือนหน้านี้เนี่ยนะทุกหรือที่เราเห็นแล้วเบือนหน้านี้ทุกทั้งมวลเหล่านั้นล้วนแต่เป็นธาตุเนี่ยนะโอ้ธาตุนี่มันจัดแจงทุกนะสารพัดทุกอนะ ประกอบมาให้เป็นทุกสารพัดทุกร้อยทุพกพันทุกล้านทุก น, นะทุกในโลกนี้ก็ล้วนแต่ธาตมันเป็นตัวจัดแจงให้หรือธรรมชาติใดอันสัตว์รรทรงไว้ถามว่าย่อมทํารงไว้ดุดภาระอันบุคคลผู้แบกภาระไปอยู่ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรับภาระบํารุงเลี้ยงดูนะไปที่ไหนก็ไปเลี้ยงตานะไปเลี้ยงหูเลี้ยงจมูกเลี้ยงลิ้นเลี้ยงตายเลี้ยงใจเนี่ยนะไปไปเพื่อจะไปเลี้ยงธาตเหล่านี้นี่แหละ ไปบำรุงธาตุไปเลี้ยงธาตุไปเติมธาตุดูแลธาตุอาบให้ธาตุกสรพัฒธาตุเนี่ยแหละเลี้ยงแต่ธาตุเนี่ยมันเคยเชื่อบ้างไหมเนาะแต่ขนาดนั้นนะเขาบอกว่าผู้ที่พิจารรักษาธาตุนะรักษาดีขนาดไหนมันก็เหมือนกับรักษาแผลที่มันไม่หายเป็นสักทีนะดูแลเช็ดยางดีใช้สำลีนิ่มนวลขนาดไหนมันก็คือรักษาแผลอยู่นั่นแหละอีกนายหนึ่งบอกว่า เพียงแค่ทรงไว้ซึ่งทุกข์เท่านั้นมันแบกแต่ทุกข์แต่ไม่มีใครมีอํานาจในในธาตุนั้นอย่างแท้จริงเนี่ยนะใครมีอานาจในจกักขคู่จริงๆบ้างอ่ะใครมีอํานาจในหูมีอํานาจในจมูกลิ้นกายใจเนี่ยใครมีอานาจจริงๆบ้างบอกไม่มีมันให้แต่ทุกข์อย่างเดียวแต่ไม่มีใครห้ามไปมีอํานาจจริงๆไม่ได้เอางั้นบอกยกมือขึ้นทําไมมันยกได้ล่ะพูดเอาก็พูดดีกว่านิ่งนิ่งทำไมมันเอาแล้วมันธาบุไหมล่ะเนี่ย เอาทำไมสั่งได้พอไม่ได้ปัจจัยหลายเรื่องเลยล้อกะไรนะลองขาดอาหารฉรูปดูสิพูดต่อได้ไมหมล่ะนั้นนะลองนิมนเทศทั้งวันทั้งคืนดูสิโอ้ยไม่ถึงวันหรอกเดี๋ยวก็เลิกแล้วนะเนะพราะมันก็เป็นไปตามปัจจัยของมันที่มันเป็นไปได้ก็เพราะปัจจัยมันอคําว่าปัจจัยก็คือในปัจเหตุทั้งหลายอนะมันเพียบพร้อมสิ่งนั้นๆจึงเกิดขึ้นแต่ทีนี้ไม่มีใครมีอํานาจขอบอก ขอ oh, จงเป็นเช่นนั้นตลอดไปก็เป็นไปไม่ได้อธิบายว่าสังสารทุกอันสัตว์ทั้งหลายทรงไว้เสมอด้วยธาตุทั้งหลายอันเป็นเหตุประการหนึ่งสังสารทุกนั้นอันสัตว์ทรงไว้แล้วอย่างนั้นย่อมตั้งอยู่สถิตอยู่ในธาตุทั้งหลายเหล่านั้นประการหนึ่งก็เราทั้งหลายก็อยู่โดยอาศัยธาตุอาศัยขันใช่ไหมเป็นไปเนี่ยอาศัยขันธาตุอเยตนาที่ไหลสืบเนื่องไป อันหนึ่งสำหรับอัตตาของเดรัทธีทั้งหลายไม่มีอยู่โดยสภาวะฉันใดนก็แล้วทาทั้งหลายจะเชื่อว่าจะมีสภาวะฉันนั้นก็หาไม่อัตราของเดรัทธีเป็นสิ่งที่คิดขึ้นเป็นอัตราในความคิดมันไม่มีอยู่จริงเช่นเขาบอกว่าดอกไม้นี่มันมีชีวิตนะเนี่ยไม่รู้มันเป็นจริงหรือเป็นชายสมว่างไงนักตาว่าไงมันตกลงดอกไม้นี่มันเป็นหริงหรือเป็นชายอ๋อไม่มีชีวะ แต่เดียร์ีเขาเข้าใจว่ามันมีอ่ะเขาสำคัญว่าเป็นชีวะอีกชนิดหนึ่งนะแต่เรื่องธาตุนี้ไม่ได้เป็นแนวนั้นหรอกแต่ที่เรียกว่าธาตุเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนเหมือนอย่างว่าส่วนต่างๆของหินมีฮอรดานและมโนศิลาเป็นต้นอันวิจิตรการในโลกก็เรียกว่าธาตุฉันดใดเช่นธาตุดินใช่ไหมธาตุดินแร่ธาตุทั้งหลายธาตุทั้งหลายอันวิจิตแม้เหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนที่จะพึงรู้ได้ด้วยยามฉันนั้น ถ้าแต่ละธาตุนะเช่นจากหูธาตุก็รู้ได้ด้วยญาณญาณะนะด้วยปัญญารูปธาตุก็สิ่งเป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยปัญญาจากคูวิญญาณธาตุก็เป็นสิ่งที่รู้ได้ด้วยปัญญาโสตธาตุสัตธาตุโสตวิญญาณธาตุก็เป็นสิ่งที่พึงรู้ได้ด้วยปัญญาเข้าไปพิจารณาเมื่อไหร่ก็ก็ได้ทันทีเพราะสภาวะนั้นทนต่ อ, อการพริจารณาคําว่าทนต่ อ, อการพริจารณาคือทนว่าอย่างไงทนต่อปัญญาว่า เมื่อใครควรค้นคว้าพิจารณาอย่างไรก็ไม่เห็นความเที่ยงความสุขความงามความยั่งยืนอยู่ในธาตุเหล่านั้นเลยมันทนต่อการพิสูจน์อยู่อย่างนั้นจริงๆว่าเมื่อใดธาตุเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นอีกอย่างหนึ่งส่วนทั้งหลายมีรสและเลือดเป็นต้นเนี่ยนะกำหนดตามลักษณะอันเป็นวิสภาคะแก่กันและกันอันเป็นไปในส่วนต่างๆของร่างกายกล่าวคือสรีระย่อมมีชื่อว่าธาตุฉันใด ก็เกี่ยวกับอันนี้ธาตุในร่างกายนะถ้าเป็นพวกตำรับยาทั้งหลายเขาจะรู้ว่าเออธาตุนี้มันเป็นอย่างนี้ธาตุนี้มันเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นหมอแผนโบราณเนี่ยเขาจะรักษาตามธาตุนะเขาถือเรียนถือร้อนเป็นต้นเนี่ยก็รักษาไปตามธาตุตามเลือดตามอะไรทั้งหลายเขาอ่ะนะชั้นใดส่วนต่างๆแห่งอัตภาพกล่าวคือเบญจขันธ์แม้เหล่านี้ก็พึงเรียกว่าธาตุชันั้นเพราะธาตุเหล่านั้นมีจากครูธาตุ ก็กําหนดลักษณะอันเป็นวิสภาคะแก่กันและกันก็ธาตุแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันนี่ยในธาตุสิบแปดมีธาตุไหนเหมือนกันบ้างไม่มีอนะก็วิสภาคะก็คือไม่คนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างไปไม่มีเหมือนกันเลยอีกอย่างหนึ่งคําว่าธาตุนี้เป็นเพียงชื่อว่านิชชีวธรรมแปลว่าไม่ใช่ชีวะอ์นนะนิชชีวะก็คือไม่ใช่ชีวะจริงอย่างนั้นในบาลีเป็นต้นว่าดูก่อนที่สู่ทั้งหลายคนเรานี้มีธาตุหก ก็ที่พระองค์ตรัสกับปกุศสตินะว่าคนเรานี่มีธาตุหกคือปฐวีธาตุเตโชปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทําเทศนาในเรื่องธาตุไว้ก็เพื่อจะถอนความสำความหมายมั่นว่าชีวะคือบุคคลก็เพราะความที่ธาตุประชมกันจึงเรียกว่าบุคคลเพราะฉะนั้นบุคคลเมื่อแยกไปแล้วก็คือธาตุเนี่ยนะก็นิสตาณิชีวะ จักผูด้วยเป็นธาตุด้วยจักขูกก็คือเป็นจักคติเนี่ยนะย่อมเห็นกับจักผูนั้นไม่ใช่ไทยจึงเรียกว่าจักผูธาตุแม้โสตธาตุเป็นต้นก็ในยะเดียวกันส่วนมโนธาตุมโนธาต์ได้แก่มโนธาต์สามคือปัญจทวาราวัชนะสัมปติชนะสัมปติชนะมีสองเนี่ยนะปัญจทวาราวัชนะคืออาวัชนะในห้าทวาร กับสัมปติชนะที่เป็นผลของกุศลและอ ก, กุศลนะเรียกว่ามโนธาตุสามส่วนธรรมธาตุได้แก่นามธรรมทั้งหลายคือนามขัน น, นะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันสุขุมรูปและนิพพานเรียกว่าธรรมธาตุมโนวิญญาณได้แก่จิตที่เหลือจากมโนจากมโนธาตุนะที่เหลือจากมโนธาตุที่เหลือจากปัญจวิญญาณธาตุ จิตที่เรียกว่าลบอะไรลบสิบสามออกไปลบสิบสามคือทวิปัญจวิญญาณจิตสิบลบมโนธาตุอีกสามก็เป็นเจ็ดสิบหกเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุนั้นคำว่าธาตุก็ประกาศถึงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะนิสตานิชีวะสุญญะสภาวะ